ข้ความในมัชธิมนิกายมูลปัญนาจูโคโปาลสูตรเนี่ยนะเรียกว่าเมื่อก่อนก่อนหน้านี้สูตรใหญ่เนี่ยมาเป็นสูตรเล็กนีนะจุะละแปลว่าเล็กเนี่ยนะครับมหาก็แปลว่าใหญ่นนสูตรก่อนเนี่ยว่ามหาโคปาระก็คือว่าสูตรว่าด้วยคนเลี้ยงโคสูตรใหญ่เนี่ยมาขึ้นสูตรว่าด้วยคนเลี้ยงโคสูตรเล็กนั่นเะ ข้อ 388. หน้า6กกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หน้าฝั่งแม่น้ำคงคาจังหวัด อ, อุกกเวลาแคว้นวัชีคราวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสุทั้งหลายพระพิสุเหล่านั้นก็ทูลรับสนองพระดารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าค่าเนี่ยนะเเรื่องราวเนี่ยนะตอนที่พระองค์ ไปที่เมืองอุ ก, กะเจลายังเนี่ยนะเมืองอุ ก, กะเจระเนี่ยพระองค์เนี่ยไปอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นมีพระพิสุสงห้อมล้อมเป็นจำนวนมากประทับนั่งในสถานที่ที่เป็นชายอาหาดทรายฝั่งแม่น้ำคงคาคือพระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมเนี่ย ถ้าตรงไหนสัปปายะเช่นร่มร่มเงาของต้นไม้อะ น, นะสถานที่พระพิสูจทั้งหลายนั่งได้จํานวนมากพระองค์ก็แสดงตรงนั้นหรือบางทีอย่างสูตรนี้ก็แสดงที่ชายหาดนะชายหาดหาดทรายแม่น้าําคงคาที่แคว้นวัดชีเนี่ยปัจจุบันก็คือเนี่ยรัฐพิหารแวาคว้นมคธนะนะก็เข้ไปแคว้นวัดชีรัฐพิหารขณะที่เวลาเย็นเนี่ยพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นแม่น้ําคงคาที่เต็มเตี่ยม แม่น้ําก็กําลังไหลไปพระองค์ก็ใคร่ครวญว่าใครๆหนออาศัยแม่น้ํำคงคาแล้วได้รับความเจริญหรือความวิบัติในการกอดหมายค่ะว่าแม่น้ํำคงคาตรงนี้ใครได้รับประโยชน์ใครได้รับความเจริญใครได้รับความเสื่อมบ้างพระองค์ก็เล็งอตีต่างสยานพิจารณาใคร่ครวญถึงว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับแม่น้ํำคงคาณตําแหน่งตรงนี้พระองค์ก็เห็นฝูงโคห้ายพันุ์ อาศัยนายโคบานงลโง่เคลาคนหนึ่ง น, นะตกไปที่วังน้ําวนเข้าคือแม่ฝูงโคหลายพันเนี่ยตกเข้าไปในวังน้ําวนในแม่น้ําคงคาแล้วก็น้ําก็พัดลงไปสู่ทะเลมันโคชิบหายไปประมาณหลายพันแล้วก็ฝูงโคอีกหลายแสนได้มีความสวัสดีความเจริญความไม่มีโรคเพราะอาศัยนายโคบานผู้ฉลาดอีกคนหนึ่งก็แล้วว่า คนเลี้ยงโคผู้โง่เขลาหรือฉลาดคนเลี้ยงโคผู้โง่เขลาพาโคตายเป็นพันๆจมแม่น้ํำคงคาลอยไปตกทะเลนู่นกับานายโคบานผู้ฉลาดพาโคให้ปลอดภัยเนี่ยนะได้เป็นแสนตัวพระองค์ก็เลยปาราลบเรื่องนี้แสดงธรรมกับพิ่สุทั้งหลายว่าดูก่อนพี่สุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบานชาวมคตผู้มีมาแล้วในอดีตเนี่ยนะ นายโคบาลชาวมคตเป็นคนที่มีปัญญาสามคนเลี้ยงโคผู้โง่เขลาเนี่ยนะไม่นึกถึงฤดูศาสตร์ในเดือนท้ายฤดูฝนวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำนองเต็มตลิ่งไงอ้าววันเพ็ญช่วงช่วงหลังมันเพ็ญเดือนสิบสองมาเพรามันท่วมมาเนี่ยนะถ้าเกิดฝนตกหนักสักครั้งเดียวเนี่ยน้ำเลยเนะี่ยวันเดือนท้ายแห่งฤดูฝนเนี่ยเป็นช่วงที่น้าําบ่า มันตกมาแม้แต่เล็กน้อยมันไม่ดูซึมลงแผ่นดินแล้วมันมีแต่ไหลบ่าไปอย่างเดียวเพราะดินเนี่ยมันชุ่มไปด้วยน้ำเต็มอยู่แล้วมันเมื่อถึงฤดูศาสตร์ท้ายฤดูฝนเนี่ยนายโคบาลผู้สามปัญญาโง่เขลาเนี่ยไม่ตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาฝั่งนี้เริ่มต้นฝูงโคข้ามไปฝั่งเหนือแห่งอ่าฟากวิเทหรัฐฟากนูน้นโดยไม่ถูกท่าเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะพาโคข้ามฟากมันต้องรู้ท่า แต่นี้ไม่สนใจเลยทันใดนั้นแลฝูงโคก็ไหว้กระว่ายตัดวังวนในท่ามกลางกระแสน้ําแม่น้าําคงคาถึงความโวด์วายเสียหายในที่ตรงนั้นนั่นเองนะเรียกว่าพอตกไปในวังน้ํำวนนั้นมันก็ลอยคว้างแล้วก็จมแล้วก็ลอยไปเลยเนะี่ยก็หมดแรงเลยนะเรียกว่าโคจมน้ำนะสาลักน้ําแล้วก็ลอยไปตามกระแสน้ําวอดที่ทะเลเกลี้ยงเน่ยนะข้อนั้นเพ่ะเหหไรายพิสูจนทั้งหลายเพราะข้า รค่าก็คือราคาข้างโง่เนี่ยนะของนายโคบานชาวมคตผู้งโง่เขลาเนี่ยไม่นึกถึงฤดูศาสตร์ในเดือนท้ายแห่งฤดูฝนไม่ตรวจดูฝั่งแม่น้ำคงคาข้างนี้เริ่มต้นฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิทยารัฐฟากโนนโดยไม่ถูกท่าเลย ตรงเปรียบอยากให้รู้อะไรภิสูจทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งนักบวชเราใดเราหนึ่งอาคณาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะที่ไม่ฉลาดต่อโลกนี้ไม่ฉลาดต่อโลกหน้าโลกนี้หมายความว่าขันธาตุอายตนะสัจจะในโลกนี้ก็ไม่เข้าใจขันธ์าตุอายตนะที่จะมีต่อไปก็ไม่เข้าใจไม่ฉลาดต่อสิ่งที่ตกอยู่ภายใต้อํานาจมารไม่ฉลาดในการมาพบ รูปประพบและอะรูปประพบไม่ฉลาดต่อสิ่งที่เหนืออยู่เหนืออำนาจมารคือโลกุตระธรรมไม่เข้าใจเตภูมิกะธรรมไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นกามาวจรูปาวจรอะรูปาวจรโลกุตระอะไรที่อยู่ภายใต้อำนาจมารควบคุมเนี่ยนะกิเลสมารขันธมารเป็นต้นหรืออะไรที่พ้นเหนือวิสัยแห่งกิเลสมารเพราะฉะนั้นจึงไม่ฉลาดต่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา ก็แปลว่าไม่ฉลาดต่อชาติชรามรณะเนี่ยนะไม่ฉลาดต่อสิ่งที่อยู่เหนืออำนาจชาติชรามรณะก็แปลว่าไม่รู้จักสังคตะและอสังคตะไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักความดับทุกข์ใครก็ตามสำคัญว่าสมณพราหมณ์ครูอาจารย์พวกนั้นควรฟังควรเชื่อไปบูชาเคารพนอบน้อมฟังฟังต่อสมณพราหมณ์ครูอาจารย์เหล่านั้น เชื่อฟังครูอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยนะข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อไร้ประโยชน์ไม่ได้รับประโยชน์ประโยชน์โลกนี้ก็สูญเสียประโยชน์โลกหน้าก็วอดวายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทำลายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ตัดทางแห่งประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพานแล้วก็จะเป็นไปเพื่อทุกในปัจจุบันจะเป็นไปเพื่อทุกอ่ต่อต่อไปในอนาคตสิ้นกาลนานเหมือนกัน เหมือนอะไรเหมือนโค เ, เหมือนเหมือนฝูงโคทั้งหลายที่ได้หัวหน้านายโคบานผู้โง่เขลาอนนผู้ที่เลื่อมใสในสมมณะพราหมณ์ผู้โง่เขลาทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันก็ถึงนั่นแหละไปเคารพเชื่อฟังสนใจเล่าเรียนในที่สุดก็เป็นไปเพื่อชาติชราดมรณะเป็นไปเพื่อโสกปริเทวะทุกขทโทมานัตอุ ป, ปา ย, ยากไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกจากโทษเลยทําไม ก็เพราะว่านับถือคนผิดนับถือคนที่ไม่มีความรู้นับถือคนที่เรียกว่าไม่ดีจริงอ่ะนะก็เหมือนองว่าเดินทางไปกับคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยนะคนไม่ฉลาดพาเราไปเนี่ยถ้าสมัยใหม่ก็เห็นชัดเลยใช่ว่าถ้าเรานั่งรถโดยสารกับคนขับขี้เมาเนี่ยนะแล้วไม่รู้ทางด้วยเมาด้วยแล้วขึ้นเขาด้วยเนี่ยนะรอดไม้านาคตเนี่ยนะายเกลี้ยงเนี่ยนะถึงตั้งใจดีจะไปไหว้พระก็เธอ เนี่ยนะถึงตั้งใจดีเนี่ยเขามีบางคนเนี่ยไปทอดกระทินทอดผ้าป่าได้คนขับขี่เมาเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยเมาแล้วก็นั่งโดยสารไปจะไปรอดหรือเนี่ยนะันใดผู้ที่ศึกษาถึงปรารถนาบรรลุมรรคผลนิพพานก็ตามถ้านับถือคนผิดถ้าฟังคนผิดนี่ก็ก็อันตรฐานเรียกว่าเจตนาดีแต่ว่าจบที่นะเพราะว่าบุญน่าจะปกป้องคุ้มครองบุญเนี่ยรักษาอยู่แล้วแต่คณไม่มีปัญญาดูแลบุญเองนะนะ จริงๆบุญรักษาสัตว์ทั้งหลายทุกเมื่อแต่ไม่มีปัญญารักษาบุญตัางหากเนี่ยนะเพราะถ้าไม่ไม่มีบุญไม่มีปัญญาเพียงพอมันก็ลำบากนี่ถ้าหากว่าเราไปนับถือคนที่ไม่ฉลาดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็พากันไปสู่วังน้ำวนเนี่ยนะเป็นดุดโคที่ลอยไปตามกระแสน้ำจมตายหมดในทะเลเนี่ยนะ ทีนี้มาดูฝ่ายโคบานผู้ฉลาดหน้าสาข้อสาม้อหน้า69พิกษสูทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบานชาวมาคตผู้มีปัญญาเนื้อถึงฤดูศาสตร์ในเดือนท้ายฤดูฝนรู้นี่ว่ามันปลายฤดูฝนนะปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวมันช่วงที่หน้าน้ำน้ามันเยอะมากเลยนะเขาก็ตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาข้างนี้ น, นะ เริ่มต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐฟากโน้นโดยถูกท่าทีเดียวคือเขารู้รู้วิธีการเนี่ยนะเขาทำยังไงอันนีค่อยว่าอีกทีหนึ่งบอกว่าเขาขับต้อนเหล่าโคอุสภะผู้เป็นโคพ่อฝูงเป็นโคผู้นำฝูงข้ามไปก่อนไอ้โคหัวหน้าฝูงเหล่านั้นมันก็ตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงความสวัสดีต่อจากนั้นก็เอาโคที่ใช้การได้ โคที่พอจะฝึกได้มันก็ไหว้ตัดกระแสน้ําข้ามฟากไปโดยสวัสดีต่อจากนั้นก็ต้อนโคผู้โคเมียรุ่นขนองมันก็ไหว้ตัดกระแสแม่น้ําคงคาข้ามไปถึงฝั่งโดยสวัสดีต่อจากนั้นโดยที่สุดแม้แต่ลูกโคแล้วก็โคสู้ผอมมันก็ตัดไหว้กระแสน้ําไปถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้น มันว่ายไปตามเสียงร้องของแม่ของมันได้ไว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝัง่งโน้นโดยสวัสดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะนายโคบานเขาเป็นคนฉลาดจริงอย่างนั้นนายโคบานชาวมาคตผู้มีปัญญา เนกถึงฤดูศาสตร์ในเดือนท้ายฤดูฝนตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาข้างนี้แล้วขับต้อนฝูงโคให้ข้ามไปยังฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัตฟาคโน้นโดยถูกท่าทีเดียวภิกษูทั้งหลายสมณะหรือพราหมพวกใดพวกหนึ่งที่ฉลาดต่อโลกนี้โลกคือโลกคือขันอายตนะธาต ฉลาดตอนโลกหน้าขันท่าอจตนาที่จะมีต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะฉลาดตอนโลกิยาธรรมเป็นสิ่งที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจมารฉลาดตอนโลกุตระธรรมที่อยู่เหนืออำนาจมารฉลาดต่อโลกิยาธรรมที่อยู่ตกอยู่ภายใต้อำนาจความตายฉลาดตอนโลกุตระธรรมที่เหนืออำนาจต่อความตายชนเหล่าใดหรือผู้ใดสำคัญว่าควรเชื่อควรฟังมีใจเลื่อมใสในสมณะผรำผู้ฉลาด เหล่านั้นข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลานานเหมือนกันเน่นะเพราะอะไรเพ ร, ะไเพราะนับถือนับถือคนถูกใช่ไหมพอนับถือคนถูกก็ข้ามฟากได้สำเร็จพิกษุูทั้งหลายบรรดาโคอุสภะผู้เป็นพ่อพ่อโคฝูงเนี่ยนะเป็นโคนําฝูงว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงความสวัสดีฉันใด โสภาเปรียมเหมือนไขรพิกษุเหล่าใดเป็นผ้ารัานตะขีนาศอยู่จบพรมบ ร, มพรมจันเนี่ยนะจบอริยมรรคขปรมจันรมกิจสิบกที่ควรทำปลงขันทภาระเสร็จแล้วถึงประโยชน์ตนคืออรหัตผลสิ้นสําเร็จแล้วสิ้นสังโยชน์สิทธิเครื่องเกาะไว้ในภพหลดพุหล ด, พหลดพ้นเนี่ยนะวิมุตติหลุดพ้นพราะรู้อริยสัจสีโดยชอบ ภิกษุเหล่านั้นตัดกระแสมารด้วยอรหัตตมรึกถึงฝั่งคือพระนิพานโดยสวัสดีฉันนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นผ้าหลานก็เหมือนกับโคอุสภะโคหัวหน้าฝูงจ่าฝูงเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายโคที่ใช้การได้และโคที่พอจะฝึกได้มันว่ายตัดกระแสมแม่น้ําคงคาถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันใดโคที่ฝึกแล้วเนี่ยนะพอจะใช้งานได้ก็เหมือนกับ ภิกษุเหล่าใดซึ่งผุดขึ้นและปรินิพานในภพนั้นเป็นพระอนาคามีจะปรินิพานในสุดภาวาสไม่จำต้องวกกลับมาปฏิสนธิในภพนี้อีกแล้วเนี่ยนะเพราะสิ้นสั่งโยตเบื้องต่ำหแม้ภิกษุเหล่านั้นจะตัดกระแสมารถึงฝั่งโดยสวัสดีเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเป็นพระอนาคามีเปรียบเหมือนโครุ่นโคที่ฝึกพอใช้งานได้ ภิกษุทั้งหลายโคผู้และโคเมียที่รุ่นขนองไายตัดกระแสะแม่น้ำคงคาถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันใดภิกษุเหล่าใดเป็นพระสกทาคามีเพราะสิ้นสั่งยศสามธรรมราคะโทสะโมหะให้เบาบางจักมาสู่โลกนี้อีกแค่ครั้งเดียวจักทมที่สุดแห่งวัฏฏุกขภิกษุเหล่านี้ก็จักตัดกระแสะมานถึงฝังโดยสวัสดี เพราะฉะนั้นโคผู้และโคเมียรุ่นขนองก็เหมือนกับพระสะกท า, ามีพระสะกท า, าคามีที่ทําราฆะโทสะมัวให้เบาบางอย่างมากมาเกิดในโลกนี้แค่ครั้งเดียวมาเกิดในคันเป็นต้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละเพกโศตท้งหลายโลกโคและโคที่สู้ผอมตัดกระแสะแม่น้ำํำคงคาถึงความสวัสดีฉันใดแม่ลูกโคกับโคผรรอมเหมือนใครเหมือนพระโสดาบันนี่ยนะผอมเนี่ยนะ ใีขณะพระโสดาบันเนี่ยของเรายังไม่แจ้งเกิดกันเลยมั้งกันนะบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยนะเพราะสิ้นสังโยชนา ม, มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแน่นอนที่จะตรัสรู้ต่อไปในข้างหน้าภิกษุเหล่านี้ตัดกระแสมารถึงฝั่งโดยสวัสดีเพราะจักทาที่สุดแห่งทุกข์ในอนาคตเอาลูกโคที่เกิดในวันนั้นนะ่ะขนาดลูกโคที่เกิดคลอดในวันนั้นเนี่ยนะส่งเสียงร้องตามแมษ เรียกว่าว่ายตัดกระแสของคาถึงความสวัสดีภิกษุเหล่าใดเนี่ยนะเป็นธรรมานุสาวรีเป็นสัทธานุสาวรีภิกษุเหล่านั้นจักตัดกระแสมานถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันนั้นลูกโคเพิ่งแจ้งเกิดเนี่ยเหมือนใครลูกโคที่เพิ่งคลอดในวันนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนพระโสดาปฏิมักนะโสดาปฏิมักทั้งโดยสัทธานุสาวรีและธรรมมานุสาวรีคือ ข้อแรกเนี่ยนะโค อ, อุศภาเหมือนกับพระอรหันโคที่โคที่ใช้การได้และพอฝึกได้ก็เหมือนพระอนาคามีโคผู้โคเมียก็เหมือนพระสกทา า, ามีลูกโคและโคผอมเหมือนพระโสดาบานันไอ้ลูกโคที่เพิ่งคลอดวันนั้นก็คือโสดาปฏิมักเนี่ยนะเปรียบเหมือนผู้ด้ผู้ได้โสดาปฏิมักของเรายังไม่แจ้งเกิดเลยเนี่ยนะถ้ายังไม่ยังไม่ยังไม่เป็นพระโสดาบันก็เท่ากับยังไม่แจ้งเกิดนั่นแหละเนี่ยนะ ถ้าเป็นพระโสะดาบันก่อนุมโมทนานะถือว่าแจ้งโกรธเนี่ยนะเพิ่งคลอดวันนั้นเนี่ยนะในที่สุดก็จะค้ามไปได้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์งเปรียอบอุปให้รู้อะไรเราคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นเหมือนนายโคบาลผู้ฉลาดเนี่ยนะพระองค์งเป็นผู้ฉลาดต่อโลกนี้คือขันธธาตุอายตนะทั้งมวลในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดต่อโลกหน้า เนี่ยนะฉลาดเลยว่าพบต่อไปเนี่ยเป็นอย่างไรชาติชรามรณะเป็นต้นเป็นอย่างไรฉลาดต่อโลกิยธรรมที่เป็นสิ่งอยู่ภายใต้อำนาจมารพระองค์เนี่ยฉลาดต่อโลกุตระธรรมเป็นสิ่งที่อยู่เหนืออำนาจมารพระองค์ฉลาดต่อสิ่งที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจมฤตยูคือโลกิยะเนี่ยนะพระองค์ฉลาดต่อสิ่ง ที่อยู่เหนืออำนาจมรรตยูคือโลกุตระชนเหล่าใดาสําคัญสิ่งที่ควรฟังควรจะเชื่อต่อพระองค์เชื่อต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลนานมันถ้าเรานับถือพระพุทธเจ้ายังไงก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะขอให้ศึกษาเรียนรู้ใส่ใจตามปฏิบัติตามเนี่ยสักวันหนึ่งก็เป็นของเรานะแจ้งเกิดได้แน่เนี่ยนะถ้าอย่างนี้นะ แด้วก็จะเป็นลูกโคที่เกิดในวันนั้นถึงจะ้อมมั่งก่อนเดี๋ยวค่อยๆโตขึ้นเองขุนให้มันโตขึ้นเป็นรุ่นขนองในที่สุดก็เป็นโคอุสภะจ่าฟูงได้สักวันหนึ่งนะค่อยๆพัฒนาเลื่อนขั้นไปโดยลําดับนะก็ในที่สุดจะค่อยๆพัฒนาเลื่อนขั้นไปจนได้ตรัสรู้ไปได้เสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าโลกนี้โลกหน้าเรารู้อยู่ประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยนะ โลกนี้ก็คือขันธาตุอายตนะทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าชาติชรามรณะขันอายตนะธาตุที่มีอยู่ต่อไปเนี่ยพระองค์ก็รู้ยิ่งซึ่งทำทั้งปวงด้วยสัพพัญยุตยานทั้งสังคตะอสังคตะเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะเป็นผู้ตรัสรู้อย่างถูกต้องโดยลำพังโดยพระองค์เองทราบชัดโลกทั้งปวง คือทราบชัดทั้งโลกิยะโลกุตระโลกหนึ่งโลกสองโลกสมโลกสี่โลกห้าโลก6โลกเจ็ดโลก8ดโลก9้าโลก10โลก12โลก18เพราะฉะนั้นโลกทั้งปวงเนี่ยพระองค์รู้แจ้งแล้วโลกพระองค์ก็รู้แล้วใช่ไหมโลกเหตุให้เกิดโลกพระองค์ก็ละแล้วความก้าวล่วงโลกพระองค์ก็ทําให้แจ้งแล้วข้อปฏิบัติเพื่อพ้นจากโลกทั้งปวงพระองค์ก็เจริญแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโลกทั้งปวงที่เออัดอยู่ด้วยมาร โลกทั้งปวงอ้างวางไม่ได้พ้นจากมริตายโลกทั้งปวงเนี่ยนะอ้างว้างอยู่กับมริตายูพระองค์เนี่ยรู้โลกทั้งปวงเหล่านี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเนี่ยนะด้วยวิปัสนาปัญญาด้วยมรรคปัญญาและก็ด้วยสัพพัญญุตยานพระองค์ก็เลยเปิดประตูคืออริยมรรคเพื่อพระนิพพานประตูแห่งพระนิพพานก็คืออริยมรรคเพื่อความปลอดโปร่งมั้นพระองค์ก็เปิดเผยแสดงอริยมรรคเพื่อความปลอดโปร่งเพื่อบรรลุพระนิพพาน สวพระองค์ก็แสดงอริยมรรคเพื่อบรรลุพระนิพพานเปิดประตูแห่งพระนิพพานโดยการแสดงอริยมรรคแสดงโพธิปัธรรมทั้งหลายพระองค์กั้นกระแสมารผู้เป็นบาปผู้ขจัดและทำให้หมดมานะก็คือขจัดกระแสแห่งกิเลสมารทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเธอจงเป็นผู้มากด้วยปราโมท ให้อยู่ด้วยความปราบปลิ่มเถิปราโมทในอะไรปราโมทในกุศลธรรมปราโมทในศีลในสมถะเละวิปั ส, สนาเมื่อปราโมทอย่างนี้แล้วพวกเธอจงปรารถนาพระนิพพานหรืออรหัตตะผลซึ่งเป็นที่ กเกษมเถิดภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะให้ปราบปลื้มดีใจปลื้มใจที่ได้เลื่อมสายในพระพุทธเจ้าที่เลื่อมสายได้พระพุทิปฏิบัติตามคำสอนให้ปราบปลื้มใจตั้งใจไว้เพื่อบรรลุมรักผลเป็นที่กเกษมเป็นที่ปลอดภัยต่อไปเธอเนี่ยนะเนี่ยสูตรเนี่ยพระองค์บอกให้ปรารถนาพระนิพพานเนี่ยนะนบอกโอ๊ยปรารถนานิพพานมันไกลเกลินไปเนี่ยนะแหม ไม่กลายรอขอให้มีศรัทธาเถอะตั้งความปรารถนาเนี่ยนะจะมีอะไรนอกจากความตั้งใจที่แท้จริงความตั้งตั้งใจที่แท้จริงแล้วก็เดินให้ถูกทางยังไงมันก็ถึงอยู่แล้วเนี่ยนะันะถ้ามีความเข้าใจยังถูกต้องเดินตามถูกทางก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้ย้อนเมื่อกี้เนี่ยนะว่าเกี่ยวกับรายละเอียดพระระยะทั้งหลายเนี่ยนะโคอุสภาคเปรียบเหมือนกับพระอรหรันต โคที่โคผู้ที่หรือโคเมียที่รุ่นขนองเหมือนเขไม่ใช่โคที่ใช้การได้ฝึกได้นี่เหมือนกับพระอนาคามีโคผู้โคเมียรุ่นขนองเหมือนพระสกัตาคามีลูกโคแล้วก็โคตัวใหญ่แต่พร้อมเหมือนกับพระโสดาบานันลูกโคที่เพิ่งคลอดวันนั้นเหมือนกับพระโสดาปฏิมักเนี่ยนะคือผู้ที่ดํารงอยู่ในขณะอริยมรรค หมายถึงเป็นผู้ที่เป็นสัทธานุสารีแล้วก็ธรรมานุสารีหมายคำว่าบางพวกนี่เห็นอริยสัจโดยมีปัญญาเป็นประธานเรียกว่าธรรมานุสารีเนี่ยนะเล่นไปตามกระแสแห่งปัญญาแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะผู้ที่เล่นหรือตามกระแสแห่งศรัทธาพวกนี้เป็นสัทธานุสารีพวกนี้เป็นชื่อของโสดาปติมมัค น, นะบทว่าเขมังปัตถิทะ เพราะฉะนั้นพวกเธอผู้ปรารถนาพระอาหารหัตตผลคือเป็นผู้ต้องการให้พระอรหัตเกิดขึ้นด้วยกตตุกรกรมมยตาฉันทะให้มีศรัทธาปรารถนาว่าอนาภารียะเจ้าทั้งหลายเจริญด้วยโสดาปิมัคสกธาคามิมักอนาคามิมักอาหารหัตตมักทําให้แจ้งอาหารหัตผลฉันใดขอเราพึงเป็นเช่นนั้นบ้างเนี่ยนะขอให้เราพึงมีส่วนเช่นนั้นบ้างเขาเรียกว่าปรารถนาด้วยกัตตุกรรมมยตาฉันทะเนี่ยนะ เขาเรียกว่าเป็นเป็นรอบมรคใหญ่ไฝเจริญเนี่ยนะก็ไฝสูงก็แล้วกันเนี่ยไม่ฝไฝโลกยิยาอยู่แล้วล่ะว่างั้นเถอะจะได้ว่ามรคใหญ่ไฝสูงมรคใหญ่ไฝเจริญมรคใหญ่ไฝโลกุลกตระธรรมก็ถูกต้องเพราะว่าปริตะเราไม่เอาอยู่แล้วใช่ไหมไม่มรคเอาปริตะซึ่งเล็กน้อยไม่เอามหักตายังไม่เอาเลยล่ะเพราะอะไรเพราะมียเจตใจมุ่งต่อโลกุตระมันใครจะว่าปราถนามรคใหญ่ไฝเจริญก็ตามใจเนี่ยนะเพราะเราก็ต้องการอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วพระองค์ก็สอนให้เราปรารถนา ให้มีคุณธรรมเหล่านั้นตั้งใจไว้เลยให้ทานรักษาศีลเจริญคุณธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้อ่านะให้ได้ตรัสรู้เขมาปัตยยะเนี่ยนะก็คือธรรมที่เกษมหมายถึงมรรคผลนิพพานมันก็เราทั้งหลายผู้ได้ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติประพุติปฏิบัติตามคําสอนก็ตั้งเป้าหมายเพื่อแทงตลอดโลกุตรหธรรมอันบุญกุศลเหล่าใดที่เราได้ฟังธรรมเนี่ยนะได้ ให้ทานสมาทานศีล น, น, นะได้นอบน้อมบูชาพระรัตนตรยัยได้ฟังธรรมตลอดทั้งวันมันก็ขอให้บุญกุศลเหล่านั้นจงเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยอ่าเป็นสิ่งที่มีกำลังเกื้อกูลให้เราทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลนิพพานตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าโดยทั่วนกันนะอ่าสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้